ประมวลธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทปราโมทโชสองรวบรวมโดยสุรพลสายพานิชและคณะจัดทาเป็นหนังสือเสียงในระบบเดซี n เอ o นซซโอลี่โดยห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติเมื่อวันที่สมิถุนายนพุทธศักราช2552จําจำนวน637หน้าอ่านโดยปิยมาศเปาอิน